เรื่องที่สิบสามเรื่องเสริมที่สามวิถีสู่สันติภาพบรรยายเมื่อวันที่ยี่สิบสองเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบกขอเจริญพอรอัตตภาพขออนุโมทนา ในการที่สถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมมสวในนามของมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเป็นโครงการคืนครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจที่มีความรักความปรารถนาดีต่อองค์สมเด็จพระเทพพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี การมีน้ำใจรักปรารถนาดีที่แสดงออกนี่แหละเรียกว่าเมตตาธรรมเป็นการฉลองในตัวอยู่แล้วนี่จากเมตตาที่มีในใจทางพระเรียกว่าเมตตามโนกรรมก็แสดงออกมาทางวาจาเป็นการพูดก็เรียกว่าเมตตาวจิกรรม แล้วก็แสดงออกทางการกระทําทั่วไปทางกายก็เรียกว่าเมตตากายกรรมพอครบทั้งสามนี้ก็บริบูรณ์ก็ที่ทางมหาวิทยายลัยจัดโครงการนี้ขึ้นก็คิดว่าได้ทําพร้อมทั้งสามประการยิ่งกว่านั้นในฐานะที่องค์สมเด็จพระเทพเรียกได้ว่าเป็นสิทธ์เก่าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจเนี่ย ก็ทรงมีความสนิทสนมกับมหาวิทยาลัยมากก็ได้ทราบพระเสด็จมาที่มห า, าวิทยาลัยอยู่เสมออันนี้ก็เทียบเรียกว่ามีความผูกพันกันกับทางมหาวิทยาลัยการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่เป็นการฉลองวันชนมายุเนี่ยจึงเป็นเรื่องของความเหมาะสมความสําควรอยู่ในตัวประการหนึ่งแล้วก็ยิ่งได้ มองในแ ง, ง่กว้างของสังคมไทยในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นที่รักและได้ทรงทําประโยชน์ไว้แก่ประเทศชาติตลอดมาทรงเป็นที่จะใช้ภาษาพระก็เรียกว่าเป็นที่เลื่อมใสของประชา น, นิก่อนเพราะฉะนั้นก็ควรจะแสดงมุทิตาธรรมแด่พระองค์ถวายให้เป็นการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทาก็คือ การฉลองครั้งนี้ก็เป็นการถวายมุทิตาธรรมโดยสมควรแก่พระคุณความดีของพระองค์ดังที่ได้ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วจึงขออนุโมทนาโดยเฉพาะก็การจัดกิจกรรมครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นด้านทางธรรมทางปัญญาการที่จะส่งเสริมเพิ่มพูนปัญญาแก่สังคม เพรนั่นก็เป็นกุศลอย่างสูงถ้าใช้ภาษาพระเรียนถ้อยคําก็เรียกว่าได้ทั้งปุญอย่างและปัญญาบุญอย่างก็คือบุญแล้วก็ปัญญาก็ปัญญาแต่ที่จริงปัญญาก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นบุญอย่างสูงอยู่ในในปุญอย่างหรือบุญนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็มาจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์จะได้เป็นการฉลองที่แท้จริง ทีนี้วันนี้ทางมหาวิทยาลัยนิมนต์ตวภาพบรรยายโดยตั้งชื่อเรื่องว่าศาสนากับวิถีสุสานติภาพเมื่อได้รับนิมนต์เห็นชื่อเรื่องก็เกิดความสงสัยว่านิมนต์และจจัดกิจกรรมนี้ในช่วงที่มีสงครามอิรัก ท่านที่ตั้งชื่อเรื่องนี้คิดถึงหรือปรารบสงครามอิรักหรือเปล่าก็เลยได้ขอาการถามท่านอาจารย์ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นคือที่นี่มนลบรรยายท่านก็ยอมรับว่ามีส่วนหนึ่งด้วยแต่จะปรารบไม่ปรารบก็ตามในเมื่อช่วงระยะเวลานี้ คนก็สนใจเรื่องสงครามนี้สงครามนี้ก็ดำเนินมาจนกระทั่งจบฉากสำคัญไปฉากหนึ่งแล้วจะมีฉากต่อไปอย่างไรหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เรายัางไม่อาจจะคาดคิดได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อพูดไปคนได้ยินคำว่าสันติภาพก็ต้องนึกถึงคำว่าสงครามและก็นึกถึงสงครามอิรักยุดี เราก็เลยมาเริ่มต้นกันที่นี่นิดหน่อยไม่ถือเป็นเรื่องสําคัญละ่ะแต่ว่าไม่สําคัญสําหรับปาติคถาหรือการบรรยายนี้แต่สําคัญสําหรับโลกก็เอามาเป็นข้อประหลารนิดหน่อยคือสงครามอิรักเนี่ยเกิดขึ้นมาจนถึงขณะนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากจะเห็นได้ทางสื่อต่างๆอย่างหนังสือพิมพ์เนี่ยคําวิจารณ์นั้นก็มากมาย นี้ถ้ารวมแล้วพูดสั้นๆก็คงต้องขอยืมคำของในแม็กกับเบิลนมาใช้ในแม็กกับเบินนี่ก็เป็นคู่แข่งฝ่ายเดโมแครตในการรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอเมริกาสู้กับประธานาธิบดีนิกสันนานมาแล้ว นี่ในแม็กกับเบิร์นีอก็เรียกสงครามเวียดนามซึ่งกําลังรบอยู่ในตอนนั้นอเมริกาเป็นเจ้าของเรื่องว่าเป็นอักลีวอร์นี่ที่วิจารณ์กันเวลานี้เรื่องสงครามอิรักเนี่ยถ้าพูดสั้นๆก็เท่ากับกําลังวิจารณ์กันว่าสงครามอิรักนี่เป็นสงครามอักลีหรือไม่นีหรือจะพูดเป็นภาษาฝรั่งก็คืออิรักวอร์นี่เป็นอักลีวอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ สรุปสันสนกระเถียงกันไปหรือวิจารณ์กันไปอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะพูดว่าอเมริกาทําสงครามนี้เป็น War to Liberate นอันนีด้ดูดูไปอีกฝ่ายก็เถียงว่าน่าจะไม่ใช่นไม่ใช่จะเป็นสงครามอะไรก็จะเป็น A War to s u b j u g a ก e นก็พูดไปภาษาไทยง่ายๆก็คือว่า เียงกันว่าจะเป็นสงฆคลาบเพื่อปลดแอกหรือเป็นสงฆคลาบเพืพ่อใส่แอกถ้าพูดให้ถูกหลักภาษาก็เพื่อเทียมแอกอันนี้จะเป็นยังไงก็ตามก็ขอให้เป็นเรื่องของท่านทั้งหลายหรือว่าประชาชนลื้นสื่อมวลชนจะวิจารณ์กันไปในที่นี้ก็จะไม่วิจารณ์ด้วยแต่ว่า อยากจะพูดอย่างหนึ่งว่าน่าจะไม่พอนะที่เราไปโมเถียงกันแค่นั้นคือจะไปมองดูเขาแล้วก็วิจารณ์ว่าเขาทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยไม่เพียงพอสิ่งสำคัญที่เราควรจะก้าต่อไปก็คือต้องมองดูตัวเราว่าแล้วเมื่อเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเนี่ยเราคิดกันเพียงพอหรือเปล่าเรื่องเราจะทำอย่างไร คือสงครามเคารพกันมาเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าเออมันเป็นอย่างเนี้ยในแง่หนึ่งเหมือนกับมาเป็นเครื่องย้ำให้เห็นว่าเออโลกเนี้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยผู้นําของเขาก็พูดสัมทับอยู่เรื่อยย้ำแล้ย้ำอีกอย่างตอนที่ตั้งนาฟตาา้าเขตการณ์คาเสรีทางอฟัฟไ อ, อทางคานดาอเมริกาอะไรนู่น่ะ ผู้นำก็พูดย้ำบอกว่าที่ทำเนี่ยสำคัญเพื่อ national interest คือเป็นเหตการเสีาเสรีของโลกของอะไรต่างๆในเขตไหนก็ตามแต่ว่าตัวผู้ทมต้นเรื่องอะไรเนี่ยเขาคิดจุดสำคัญก็คือเพื่อผลประโยชน์ของชาติของเขาเขาก็ย้ำอยู่เสมอเราก็ต้องรู้ตามเป็นจริงเมื่อเรารู้เท่าทันอย่างนี้แล้ว เราก็ต้องมาคิดว่าในเมื่อโลกเขาเป็นกันอย่างเนี้ยเราจะอยู่อย่างไรจึงจะมีความรอดหรือว่าสังคมของเราจึงจะอยู่ได้ได้ดีอันนี้คือเรื่องที่เราต้องคิดนี่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนอกจากคิดว่าเราจะอยู่อย่างไรให้ดีในสภาพ ของโลกอย่างนี้ก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเรามีความสามารถยิ่งกว่านั้นก็คือก้าวไปช่วยโลกในการแก้ปัญหาแก้ปัญหาระยะยาวอย่างที่ตั้งเป็นหัวข้อบรรยายครั้งเนี้ว่าก้าวไปสู่วิถีแห่งสันติภาพหรือการที่จะทําให้โลกมีสันติภาพนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ทั้งสองชั้นนี้ถ้าแม้แต่ขั้นที่หนึ่งเรายังไม่คิดแล้วขั้นที่สองนี่ก็เห็นจะยาก นี่คนไทยเนี่ยมองดูสงครามนี่ถ้าเราได้แค่วิจารณ์มาเขาเป็นยังไงไงเราก็ไม่คิดว่าแล้วเราจะทําอย่างไรเราจะต้องทําอะไรอย่างน้อยเพื่อให้ประเทศชาติสังคมของเราเนี่ยดำรงอยู่ได้ได้ดีในโลกที่มันจะต้องมีสภาพเดือดร้อนไม่มีสันติภาพมีสงครามกันอยู่อย่างเงี้ยนี่เป็นปัญหาที่เราต้องคิดถ้าเรามีความมั่นใจเข้มแข็งพออยู่รอดได้นี่เราก็ก้าวไปขั้นหนึ่งหรือจะทําไปพร้อมกันก็นได้ ก็คือเพียรพยายามเพื่อแก้ปัญหาของโลกทําให้โลกนี้ดําเนินไปสู่วิถีแห่งสันติภาพคนไทยเราก็อาจจะต้องมาตรวจสอบตัวเองบางทีเราต้องติเตียนกันบ้างตําหนิกันบ้างอย่างเราเป็นผูธศาสนิกชนบางทีเราก็ไม่ได้คิดกันจรงิจรงจังว่าจะต้องทําอะไรเราแค่ฟังหรือบางทีก็ยอมรับว่าเออหลักการอย่างเป็นอย่างนั้นแต่ว่า ตอนที่ว่าจะต้องทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยขนขวายยกตัวอย่างง่ายๆหลักธรรมเนี่ยเราได้ยินสมอสอนอยู่เรื่อยเราก็มาพูดกันใช้บอกว่าอัตตาเหตอัตนโนโถตนเป็นที่พึ่งของตนเออเราก็ยอมรับว่าตนเป็นที่พึ่ ง, งตนก็สอนกันอยู่เลยตนเป็นที่พึ่งของตนแต่ว่าตอนที่จะต้องทําคือตอนที่พระท่านสอนว่าแล้วทําอย่างไรตนจึงจะเป็นที่พึ่งได้อันเนี้เราไม่ค่อยจะเดินเลย ซึ่งตอนตรงนี้เป็นคําสอนที่สําคัญและเป็นภาคปฏิบัติก็คือว่าเรารู้หลักการความจริงมันเป็นอย่างนั้นว่าตนเป็นที่พึงงตนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตนนี้ให้เป็นที่พึ่งได้ก็ต้องพัฒนาตนขึ้นมาคําสอนของพุทธศาสนาที่เพียรพยายามสอนมากมายก็คือสอนให้ทําตนให้เป็นที่พึ่งได้ด้ยการพัฒนาตนด้วยการศึกษาตรงนี้เป็นจุดสําคัญ ถ้าเราอยู่แค่ตอนไปที่เพึองของตนมันก็จบได้แต่รู้หลักความจริงแล้วก็ไม่ได้ก้าวไปไหนหรืออย่างคําสอนอีกข้อนหนึ่งที่เราได้ยินก็นอยู่เสมอว่าเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรหรือเวรระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรก็ได้ยินกันแล้วก็จํากันแม่นยําอันนี้ก็เป็นหลักการเหมือนก็เป็นความจริงในหมู่มนุษย์ พอถากว่าเกิดเวรแล้วไปจองเวรมันก็ไม่รู้จักจบสิ้นแต่ทีนี้ว่าในแง่ของภาคปฏิบัติที่จะต้องทำก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องจองเวรองนี้แหละที่คนไทยเรารือชาวพุทธไทยเราไม่ค่อยคิดทางๆ ท, ที่ในพุทธศาสนาเนี่ยคนดูในคำพีตั้งแต่เพียรพยายามสอนว่าทำไงเราจะไม่ต้องจองเวร อย่างในข้อเนี้ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องสงครามและสันติภาพด้วยการที่จะไม่ต้องจองเวนเนี่ยมันก็อาจจะมีพูดอย่างชาวบ้านในสามแบบแบบที่หนึ่งคือคนก่อเวนก็ทํารุนแรงได้ผลจนกระทั่งฝ่ายที่ถูกกระทําเนี่ยสูญสิ้นชาติพันธุ์หายไปหมดเลยก็เลยไม่มีโอกาสมาจองเวนนี่ก็แบบที่หนึ่งนะแบบที่สองก็คือว่าเขาก่อเวนมาแล้วเนี่ยคนที่ถูกกระทํา มีความสามารถทำให้การก่อเวรของเขาเนี่ยไม่สำลิดผลสงบไปหรือสยบได้ เ, เลิกหายต่อกันเขายอมยอย่างนี้ท้าเรียกว่าชนะได้โดยธรรมไม่ต้องทำ้ายเขาเแล้วก็สามก็คือว่าทำอย่างไรในระยะยาวก็คือทาไม่ให้มีการก่อเวรขึ้นมาเลยนี่เก่งที่สุดอันนี้จะมีสันติภาพแน่นอนนะทำให้โลกนี้ไม่มีการก่อเวร แล้วเราอยู่ในขั้นไหนถ้าเราไม่เพียรพยายามเราจะอยู่ขั้นที่หนึ่งนะคือพอเขาก่อเวรมาเราก็หมดสิ้นชาติพันจบเนี่ยก็ไม่ต้องจองเวร น, นี่ว่าในคัมภีร์ท่านจะสอนไว้จะมีตัวอย่างว่าอย่างชาดกเนี่ยจะยกตัวอย่างไว้เพื่อเห็นว่าเออเราจะเปลี่ยนวิถีของโลกยังไงโลกเนี่ยมันร้ายคิดแต่ว่าจะแก้แค้นกัน ยกทับเบียดเบียนการมีแต่สงคราไมห่หยุดหย่อนแล้วทำยังไงจึงจะทำให้เกิดสันติภาพหรือความสงบได้แม้แต่เมื่อมีฝ่ายที่เขาตั้งตัวเป็นศัตรูยกทับมาในระดับประเทศชาติมาลุกรานเบียดเบียนเนี่ยชาดกมีหลายเรื่องที่สอนเรื่องนี้คือว่าให้เห็นว่าเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งอย่างในระดับประเทศเนี่ยก็มีชาดกใหญ่เลย เช่นอย่างมโหสถชาดกนี่ก็เป็นเรื่องอย่างนี้คือฝ่ายประเทศโน้นเขาคิดร้ายเขาต้องการความยิ่งใหญ่ขยายดินแดนเขายกทัพมาบุกฝ่ายนี้อยู่ในธรรมะไม่ต้องการใช้กําลังโดยเฉพาะไม่ต้องการให้ประชาชนราษฎรเดือดร้อนนีก็หาทางแก้ไขก็สามารถทํำจนกระทั่งฝ่ายที่ยกทัพมาลุกรา น, นี่ต้องยอมยอมสยบ โดยไม่ต้องใช้กําลังไม่ต้องใช้ความรุนแรงไม่มีการเสียเลือดเนื้อเลยแล้วกลับเป็นไมตรีกันด้วยคือจบลงได้ดีนะอย่างเนี้ยนี่ก็เป็นขั้นกลางส่วนขั้นที่สมนั่นก็คือจุดหมายของพระพุทธศาสนาระยะยาวที่พยายามสอนพัฒนามนุษย์นี่ให้ขึ้นไปถึงขั้นนั้นนี่แค่ขั้นที่สองเนี่ยเราได้พยายามทําหรือเปล่าคนที่จะสามารถเอาชนะสยบหรือทําให้การก่อเวรเนี่ยต้องสงบลง ด้วยดีโดยเป็นวิตย์ไมจีเกิดกันเนี่ยต้องมีความสามารถกว่าคนที่เอาชนะในการรบกันเนี่ยมากมายหลายเท่าอาจจะพูดเอาเป็นสิบเท่าเลยอันนั้นคนที่จะสร้างสันติภาพไม่ให้มีความรุนแรงอย่างที่เขาเรียกกันปัจจุบันว่าอหิงสา n น n violence เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสามารถมีสติปัญญาอย่างยอดเยี่ยมไม่ใช่ว่าอยู่มันจะไปทําได้ไม่ใช่มา ฟังแค่ว่าเออเวรไม่ระ ง, งับในการจองเวรแล้วก็บอกเออเราอย่าไปจองเวรนะก็จบเท่านั้นเองเราก็สูญสิ้นใช่ไหมมันต้องคิดในแง่นี้ท่านก็อุตส่าห์สอนไว้มากมายเพราะฉะนั้นการพัฒนาความสามารถพร้อมกับมีเจตจํานงที่เป็นธรรมมุ่งดีปรารถนาสันติสุขเนี่ยมันต้องไปด้วยกันคือหมายความว่าทางพระเนี่ยท่านสอนสองอย่างในแง่หนึ่งก็มีเมตตากรุณานี่แน่นอนก็คืออหิงสามไม่เบียดเบี้ยน แต่พร้อมกันนั้นก็ต้องมีปัญญาคนที่จะให้เมตตาความปรารถนาดีความรักเนี่ยมันสำเร็จผลต้องมีปัญญาและต้องมีปัญญามากกว่าปกติเพราะปกติคนนี่เขาจะรบราคาฟันต่อสู้กันเอาชนะได้กําลังใครมีกําลังโดยเฉพาะทางรูปธรรมทางร่างกายแข็งแรงกว่าก็ชนะไปแต่ว่ามันต้องเสียเลือดเนื้อลําบากวุ่นวายกันมากนี้เราพัฒนามนุษย์ให้มีอารยธรรมก็เพื่อทําอย่างนี้ได้ คือสามารถที่จะทำให้ความรุนแรงเนี่ยหายไปโดยการใช้ความสงบนโดยาใช้ความสามารถทางปัญญานี้เราเคยมีไหมในบทศากที่พิสูจน์หลักการนี้ถ้าหลักการนี้พิสูจน์ได้แสดงมนุษย์นี้จริญในอารยธรรมถ้ามนุษย์ยังทำไม่ได้ก็ได้แต่เอากำลังมาสู้กันใายกำลังมากก็ชนะไปมันก็ไม่ได้จะเลยขึ้นมาเลยอารยธรรมอะไรเพราะมันก็เหมือนกับสมัยบุพการใช่ก็เขาก็รบกันมาอย่างเงี้ย ใครมีกำลังมากก็รบชนะไปจะไม่เห็นจะเป็นอริยธรรมอะไรมันก็เหมือนเดิมหลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องคิดกันให้ดีนี่คืออริยธรรมในแง่สันติภาพก็คือใช้หลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าคุณจะคิดปฏิบัติตามหลักเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรก็ต้องมาคิดกันมากว่าทำอย่างไรจรึงจะไม่จองเวรและอย่างน้อยก็ต้องพัฒนาความสามารถที่จะยุติความรุนแรงด้วยความสงบ แล้ก็ต้องพัฒนานอกจากเจตนาจิตใจที่มีเมตตากรุณาก็ต้องพัฒนาปัญญาอย่างยุดยิ่งนะแล้วก็ต้องคิดกันจริงจังในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพิจรารณาระดับขับ้นที่หนึ่งที่ว่าเมื่อโลกเขายังเป็นกันอย่างเนี้ยเช่นว่าแต่ละประเทศเขาก็มุ่งเพื่อผลประโยชน์ของชายของตัวเขาเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหากันเรื่อยไปอย่างเงี้ยแล้วในโลกที่เป็นอย่างเนี้ยสังคมไทยเรา จอยู่ให้ดีได้อย่างไรอันนี้ขั้นที่หนึ่งเนียในวันนี้จะไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ตรงกับหัวข้อที่นิมนต์ให้บรรยายก็กล้าไปสู่หัวข้อขั้นที่สองขั้นที่สองที่ว่าแล้วไทยเราเนียหรือทุกคนเนียจะกล้าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของโลกในแง่ของสันติภาพนี้ได้อย่างไรแล้วทำยังไงจะให้โลกเนียเดินไปสู่วิถีแห่งสันติภาพ วันนี้ทางท่านผู้นิมนต์ก็ตั้งหัวข้อให้เป็นเรื่องศาสนาความจริงศาสนานั้นถ้าพูดในแง่ของเราก็ศาสนาก็คือคําสอนหลักพุทธศาสนาคําแปลตรงตัวเลยศาสนาเป่นคําสอนคําสอนของท่านผู้รู้ความจริงนะก็เป็นกลางๆางนะไม่เข้าใครออกใครความจริงมันมีอยู่ว่าอย่างนี้เราควรประพุทธปฏิบัติอย่างนี้ นี่เรื่องการที่จะสร้างสันติภาพก็คือการแก้ปัญหารบราค้าวฝันสงครามของโลกเวลาจะแก้ปัญหาเนี่ยก็จะต้องมีบอกว่าให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอบอกให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้คนก็จะพูดคือมาว่าพูดมันง่ายแต่ทามันยากเหมือนั้นก็จะทูดว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะได้แต่ว่าทีนี้เวลาปฏิบัติน่ยคนปฏิบัติมันลำบากนะนียมันไม่ใช่ปฏิบัติง่ายๆทํา ย, ยากแต่ว่าอันนั้นก็แง่หนึ่ง แต่มันมีแง่หนึ่งก็คือว่าหลักการที่ต้องปฏิบัติปฏิบัติหลายอย่างเนี่ยไม่ความเป็นความจริงที่จะต้องทํามิฉะนั้นไม่สําเร็จมันจะยากหรือไม่ยากไม่เกี่ยวแหละนะแล้วคุณต้องการข้ามแม่น้ําไปฝั่งโน้นเพราะเพราะเพราะว่ามันมีหมู่บ้านที่คุณต้องการไปอยู่ฝั่งโน้นการข้ามแม่น้ํานี่จะยากหรือไม่ยากก็ตามก็คุณก็ต้องข้ามาใช่ไหม อันนี้ในกรณีนี้มันจําเป็นแหละเราจะมาอ้างความยากไม่ได้แล้วคุณจะไปหรือไม่ไปถ้าคุณจะไปให้ถึงคุณก็ต้องข้ามไปให้ได้มันจะยากหรือไม่ยากอันนี้หลักการหลายอย่างก็เช่นเดียวกันมันจะมามัวคํานึงถึงความยากไม่ได้จะมาบอกว่าพูดมันง่ายทํามันยากเนี่ยพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหลักความจริงถ้าคุณไม่ปฏิบตัติคุณก็ไม่สําเร็จครับคุณอยากมีสันติภาพหลักการนี้มันต้องมีถ้าไม่มีแล้วสันติภาพไม่เกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องทํา อันนี้เราก็มาพูดกันถึงหลักการแบบนี้นะโดยจะมาอ้างกันอีกนะว่ายากนะต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนนี่หลักการเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสันติภาพนี้มันก็ต้องมาดูที่หลักการฝ่ายตรงข้ามก็คือด้านเหตุปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยมาขัดแยง้งต่อสู้รบราคาฟันทำสงครามกันซึ่งมันก็เป็น ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นมาเป็นไปกันอย่างเงี้ยมีสงครามมีการต่อสู้รบราคาฟันกันขัดแย้งกันตั้งแต่ระดับบุคคลจนกระทั่งถึงระดับสังคมระดับประเทศชาติตลอดมาทุกยุคทุกสมัยอันนี้เราก็สรุปสั้นๆเพราะเหตุปัจจัยที่ทำนั่นก็ไปขุดกันมาแต่ละกรณีมันก็ต่างๆกันไปแต่ท่านบอกว่าโดยสรุปแล้วมันก็มี3อย่างเท่านั้นแหละ เหตุปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ขัดแย้งกันปัญหาเกิดขึ้นนี่หนึ่งอยากได้สองอยากใหญ่สามใจแคบว่างั้นนะทีนี้อยากได้นี่ก็ท้าเรียกว่าตัณหาคืออยากได้ผลประโยชน์อยากได้สิ่งเสริโภคทรัพสมบัตินะ่ะความพรั่งพร้อมนะ่ะมาบำรุงบำาเลออะไรตัวเนี่ยให้มีมากที่สุดนี่ก็เป็นเหตุให้ยกทัพรบหลากข้าวฝันกันจะเห็นว่าไม่ต้องว่าถึงคนละประเทศชาติก็ ยกทัพไปตีกันเพราะเรื่องผลประโยชน์แม้แต่เวลานี้ก็วิจารณ์ก็มันเป็นเพราะข้อนี้่เนี่ยข้อที่หนึ่งก็คืออยากได้ก็เรื่องผลประโยชน์เรื่องตัญหานีอันนี้สองก็คืออยากใหญ่อยากใหญ่ก็คือต้องการอำนาจต้องการความยิ่งใหญ่สามารถครอบงำผู้อื่นบังคับเขาได้อันนี้ถ้าเรียกประมาณนะนีอันนี้ก็ตลอดประวัติศาสตร์มักจะมาคู่กันการที่หนึ่ง อยากได้ด้วยก็อยากใหญ่ด้วยถ้าอยากใหญ่เป็นใหญ่ได้ก็จะอยากได้ก็ทําสําเร็จได้ง่ายนะอยากได้ก็ต้องสําเร็จโดยอยากใหญ่และอยากได้แล้วตัวเองก็จะเมื่อได้แล้วก็จะใหญ่ยิ่งขึ้นนะก็เลยอยากได้ก็อยากใหญ่นี่ก็เป็นตัวสําคัญเรียกว่าตัณหามานะนี้บางทีสงคฆามันเกิดขึ้นด้านอื่นก็มีก็คือเรื่องลัทธิศาสนาอุดมการณ์ต่างๆพวกนี้ทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ โดยตรงเนี่ยเพราะความเชื่อเพราะการยึดถือหลักการบางอย่างไม่ยอมรับไม่ยอมฟังซึ่งการละกันอย่างนี้เรียกว่าใจแคบเพราะนั้นละที่ศาสนาก็เลยกลายเป็นเหตุของสงครามในอดีตเนี่ยมากมายสงครามละที่นิยมอุดมการศาสนานี่กลายเป็นยืดเยื้อเรืรังยิ่งกว่าสงครามที่อยากได้ผลประโยชน์และเรื่องสงครามแสวงหาความยิ่งใหญ่ด้วยซ้าไปเพราะนั้นไอ้ตัวที่สามเนี่ยตัวที่ลึกมาก ทางพระทนเลวณทิฏฐิตกลงว่าไอ้ตัวการสําคัญที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งการลบราค้าฟันกันเนี่ยก็คือตัณหามานตทิฏฐิพูดเป็นไทยง่ายๆก็อยากได้อยากใหญ่ใจแคบเนี่ยนี่จะแก้ปัญหาอย่างไรก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันแสนยากอย่างที่ว่าพูดง่ายทํายากนี่แหละทีนี้การแก้ปัญหาเราไม่ใช่ว่าจะต้องไป ท, ทําทีเดียวว่าคุณไม่มีตัณหามาอยากได้ผลประโยชน์มันเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับเรื่องของมนุษย์ทั่วไปเนี่ย ก็เราก็ต้องทําเป็นขั้นตอนเยีย่ยงเรื่องตันหาเนี่ยมันก็ต้องวางมาตรการต่างๆโลกเขาก็พยายามวางกันอยู่แต่ทีนี้มนุษย์มันก็พยายามเอาเปรียบกันอยู่้กฎกติกามันก็วางขึ้นมาแล้วก็หาทางใช้กฎกติกานั้นเพื่อให้เกิดเป็นผลประโยชน์กับตัวเองให้เอื้อต่อตนเองก็ยังไงก็ตามถึงไงมันก็ต้องมีไว์ก็รวมความก็คือต้องมีเช่นกฎกติกามามาตรการในการที่จะไม่ให้ มีการแสวงหาผลประโยชน์ลุกลาญผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมมาตรการที่สร้างความเป็นธรรมแม้แต่เรื่องอย่างพวกอะไรการค้าเสรีอะไรพวกนี้เขาก็อ้างเรื่องความเป็นธรรมการค้าเสรีและเป็นธรรมต้งเป็นฟรีเทรดด้วยแฝ่เทรดด้วยนะก็เลยเป็นปัญหาว่าไอ้ฟรีเทรดนี่มันเป็นแฝ่เทรดหรือเปล่าเทียงกันอยู่นี่แหละบางทีมันฟรีแต่มันไม่แฝ่ ทำไงจะให้ทั้งฟรีทั้งแฟนี้ยากเหลือเกินเพราะมนุษย์เนี่ยตันหามันเยอะนก็เลยไอ้ตันหาความอยากได้มันก็ทำให้มันไม่ยอมแฟมันก็อ้างความฟรีมาเพื่อไม่แฟไปก็ตกลงก็ต้องหาทางกันไปแต่ว่ารวมแล้วก็คือหลักการในขั้นหนึ่งก็ต้องวางมาตรการที่จะไม่ให้รัฐเอาเปรียบกันหรือให้เอาเปรียบได้น้อยให้มีความเป็นธรรมบ้างแล้วก็เรื่องมาณนะก็ความอยากใหญ่ความต้องการอานาจ อะไรครอบงามผู้อื่นนี่ก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีมาตรการแล้วก็มีการดุลการขานอำนาจกันก็นี่ก็เป็นวิธีการซึ่งทางรัฐศาสตร์เป็นต้นหรือการเมืองระหว่างประเทศอะไรก็ต้องศึกษากันไปแล้วก็พยายามกันไปแล้วอาจสุดท้ายก็คือเรื่องความใจแคบความยึดติดในทิฐิเป็นความเชื่อไงง่ายๆอย่างเรื่องความเชื่อแม้แต่ในทางชาติพันธุ์ความเชื่อว่า พวกชาติพันธุ์นั้นเผ่าพันธุ์นั้นมันต่ําสามมันเป็นศัตรูของเราต้องฆ่ามันให้หมดนี่ต้องกำจัดมันให้สิ้นอย่างเนี้นี่คือทิฏฐิความเชื่อที่มันลงลึกแล้วพอมีแล้วเนี่ยมันไม่จบสงครามแล้วแก้ได้ไหมต้องแก้คันนี้ยแก้อันนี้ยมนุษย์ต้องเปิดใจยอมรับเอามาพูดกันเวลานี้มักจะไปเน้นกันข้อหนึ่งข้อสองซึ่งก็ยังแก้ไม่ได้แล้วเสร็จแล้วข้อสามก็ไม่กล้าพูด ไม่กล้าพูดเพราะว่าพูดแล้วมันกระทบกันนะก็เลยไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้จริงเพราะว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยต้องลงถึงขั้นที่สามนี้ขั้นที่สามนี่เป็นเรื่องทางปัญญาสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็แก้ไขเรื่องทิฐิความเชื่อความยึดถือต่างๆต้องทําให้ได้และทั้งหมดเนี่ยในที่สุดนอกจากการแก้ได้มาตรการทางสังคมเป็นต้นแล้วก็ในที่สุดก็คือการพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษา เพราะนั้นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นพื้นฐานก็คือการศึกษาการสร้า ง, งมนุษย์ให้มีคุณธรรมมีจิตใจที่มีเมตตากรุณาเป็นต้นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเสียสละไม่ใช่เอาแต่เห็นแก่ตัวอยากได้ผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ต้องคายคิดแต่จะเบียดเบียนครอบงามผู้อื่นเนี่ยแค่สร้างคุณธรรมนี่ในฐานจิตใจเราก็มาคานกับไอ้เรื่องของ ข, องข้อตัญหามันนะแต่ว่าไอ้ข้อทิฏฐินี้ต้องแก้ด้วยปัญญา คือสร้างปัญญาให้รู้เข้าใจอย่างปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากกว่าสมัยโบ ร, ราณอย่างเรื่องของทิฏฐิเชื่อถือใจแคบในเรื่องชาติพันณุ์เนี่ยมันก็มีมาในพุทธประวัติเราก็ได้ตัวอย่างอยู่แล้วอย่างสากยบงนี้เองแหละพระพุทธเจ้าก็ทรงพยายามแก้เขาก็ยังยึดถืออยู่อย่างสากยบง์นี่เราก็เห็นชัดว่ายึดถือจะแต่งงานกับคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย ก็จนกระทั่งเป็นเหตุให้พวกอื่นเนี่ยเขาแครนต้องมาพยายามทำลายศากยวงศ์ทั้งหมดเลยก็ตัวอย่างเกามีมาชัดเจนอันนั้นก็อย่างปัจจุบันเนี่ยทำยังไงมนุษย์มาถึงยุคโลกาภิวัตน์แล้วเราบอกว่าไร้พรมแดนโลกไปอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นโกลบอลวิลเลจอะไรก็ว่าไปพูดกันไปกันไปแล้วก็มันเป็นจริงไหมมันไม่เป็นเรื่องมันก็แยกกันอยู่อย่างนั้นแหละแนวโลกยิ่งกว้างไกลใจคนยิ่งแคบลงเนี่ย ทำยังไงจะให้ใจกว้างตามโลกที่มันแผ่ขยายกว้างไปได้ให้ใจมาไร้พรมแดนได้พระพุทธเจ้าสอนนะพระอาหารหันต์เนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งคือวิมริทาวิมริยาธิกจิตแปลผู้มีจิตใจไร้พรมแดนตรงกันเลยกับคำที่เขาใช้ปัจจุบันแต่เวลานี้เขาใช้ไร้พรมแดนกับเรื่องของข่าวสารข้อมูลเรื่องของการคมนาคมอะไรเป็นต้น อันนี้เขาไม่เอามาพูดถึงจิตใจจะต้องทำใจคนให้ไร้พรมแดนด้วยนี่ทำได้ไหมล่ะเนี่ยเนี่ยถ้าทำได้ก็เข้าคติหลักพุทธศาสนาม่อยู่แล้วชัดเจนพูดไว้นานแล้วบอกว่าวิมาริยาทิกจิตทำได้ไหมทำให้มีจิตใจไร้พรมแดนถ้าทำได้จริงๆนี่เป็นพระอาหารหันต์เลยถ้าเราไม่ถึงขั้นนั้นก็พยายามทำใจให้กว้างขวางอันนี้การทาใจให้กว้างขวางเนี่ย มันก็ต้องพัฒนามนุษย์อย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ให้การศึกษาที่ถูกต้องมันเป็นไปได้ไหมคนเวลานี้บางคนก็อาจจะต้องคิดคิดถึงขั้นว่าหลอมรวมชาติพันธุ์มนุษย์ให้เป็นชาติพันธุ์เดียวเนี่ยโดยไม่ต้องมาเถียงมาแก่งแย่งแบ่งแยกอะไรกันอีกจะเป็นไปได้ไหมเราอาจจะต้องพูดกันอย่างจริงจังนะไม่ต้องมามัวอะไรคล้ายๆว่า มีอะไรแฝงอยู่ในใจไม่กล้าพูดก็เปิดใจกันเลยพูดอย่างจริงจังเนี่ยควรถึงเวลาหรือ ย, อยังในเมื่อเป็นโลกตาพิวัตรโลกไร้พรมแดนเนี่ยเราจะให้มนุษย์เนี่ยเป็นพัาชาติพัญุ์เดียวกันได้ไม่ต้องไปกีดกั้นแบ่งแยกอะไรกันนะอย่างทางตอนออกกลางก็มีปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยนะขอประธานอภัยก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เขาแต่งงานกันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็รับจะไปแก้ปัญหาอะไรก็แค่นี้ก็ไม่สามารถจะพูดกันได้ แล้วก็จะมาพูดว่าจะแก้ปัญหาให้โลกมีสันติภาพก็คนมันแบ่งแยกกันอยู่ชัดๆเอาละเลยพร น, นี้ก็เป็นเรื่องของสาเหตุของความขัดแยง้งรบราคาฟันและสงครามที่ทำให้ไม่มีสันติภาพตลอดมาทุกยุคทุกสมัยมีสามประการด้วยกันก็คืออยากได้อยากใหญ่และใจแคบหรือตัณหามาณนะทิตถก็ต้องแก้แล้วก็แก้ได้มาตรการทางสังคมบ้างด้วย วิธีการต่างๆและที่สําคัญที่สุดก็คือพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษานะแล้วก็คนที่ให้การศึกษาต้องยอมรับความจริงก่อนเอาอย่างนี้ไหมนะแต่ก็รับรองท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ว่าถ้าแก้สามอย่างนี้ไม่ได้ไม่จบนะอันนี้คือหลักการที่บอกว่ามันจะยากมายากคุณไม่มีสิทธิพูดเพราะว่าถ้าคุณไม่ทํามันไม่สําเร็จอันนี้ก็ขอพูดต่อไปทีนี้ก็เรื่องใจแคบเนี่ยใจแคบนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญ ก็มันมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของการที่แสดงความใจแคบก็คือความหวงแหนกีดกันกันซึ่งตรงกันที่พูดมาแล้วบ้างด้วยนี่ความหวงแหนกีดกันนี่มีหลายอย่างทางพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องสําคัญมากจะเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยโดยตรงเลยคือพยายามจะสร้างสันติสุขแก่มนุษย์ในการที่ไม่ให้มีการแบ่งแยกเบียดเบียนเน่ยเพราะฉะนั้นก็นอกจากตันหามานาทิฐิที่จะไม่ให้ขัดแยง้งทำำําสงครามลบราคาฟัน ก็จะมีหลักต่อไปอีกชุดหนึ่งที่ว่าเพื่อให้เราไม่มีความใจแคบพัฒนามนุษย์ไปสู่ความมีใจไร้พรมแดนอะไรต่างๆความอยู่ร่วมกันโดยสันติอะไรเนี่ยท่านก็ให้หลักไว้บอก ว, ว่ามนุษย์ที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะต้องหมดความใจแคบหรือความหวงแหนกีจกัน้นกันห้าประการท่านเรียกว่ามัชริยะมัชริยะคนไทยก็มาใช้แปลกลัน ว, ว่าความตระหนี่ความตระหนี่นี้แปลไปก็ขี้เหนียว นี้แปลขี้เหนียวเนี่ยมันชวนให้คิดว่าเป็นโลภบางคนไปถามว่ามัจฉริยะนี่เป็นกิเลสประเภทไหนบอกเป็นประเภทความโลภคนโดยทั่วไปก็จะเข้าประเภทนั้นคือกิเลสทั้งหมดเนี่ยมันจัดเข้าในสามกลุ่มคือโลภะโทสะโมหะพอถามคนทั่วไปก็บอกว่าอา้าความตรนีมัจฉริยะขี้เหนียวเนี่ยจัดเข้าในกิเลสประเภทไหนในสามประเภทเขาก็จะบอกว่าอยู่ในประเภทโลภะเร้นโลภแต่ไม่ถูก เพราะเราไปแปลภาษาไทยความหมายมันก็อาจจะไม่ตรงทีเดียวกับภาษาเดิมมัฉริยะในในทางพระท่านจัดเข้าในกิเลสกลุ่มโทสะชัดเจนเลยเป็นกลุ่มโทสะการกีดกันผู้อื่นห่วงแหนกีดกันไม่แหกเขาได้อย่างเราเป็นต้นหรือไม่ให้เขามีส่วนร่วมอันนี้ความห่วงแหนกีดกันหรือมัฉริยะเนี่ยมีหประการต้องพัฒนามนุษย์ ให้กำจัดวัชริยะหนี้ให้ได้ไม่เะ่นนั้นมนุษย์จะต้องแบ่งแยกกันแล้วก็เกิดปัญหาขัดแย้งจนกระทั่งถึงสงครามและความห่วงแห่งกิจกันหประการนี้มีอะไรหนึ่งความห่วงแห่งกิจกั้นกันในเรื่องที่อยู่ที่อาศัยท้องถิ่นดินแดนมาที่หนึ่งนะชัดเลยใช่ไหมเนี่ยคนมันก็แบ่งแยกกันอยู่จนกระทั่งถึงประเทศเนี่ยเอาละนี้สองห่วงแห่งกีจกั้นกันในเรื่องผลประโยชน์ลึกลับ เรื่องการได้สิ่งที่ต้องการสิ่งเสรบริโภคเป็นต้น2แล้วนะนี่คือเรื่องราบและวก็สความหวงแหนกีกั้นกันในเรื่องพงเผ่าเหล่าก่อชาติพันธุ์พวกพ้องสามแล้นะแล้วก็สความหวงแหนกีกั้นกันด้วยเรื่องการแบ่งชั้นวรณนะสีผิวเป็นต้น แล้วก็ห้าความหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องวิชาความรู้ผลสําเร็จทางภูมิธรรมภูมิปัญญาโอ้อันนี้ปัจจุบันนี้กําลังเข้าอันที่ห้านี่เต็มที่เลยนะเรื่องสิทธิอะไรอะไรสิทธิทางปัญญาอะไรเนี่ยนะอ่าลิขสิทธิ์ทางปัญญาอะไรก็แล้วแต่รวมแล้วก็คือเป็นเรื่องเนี้ยอยู่ในข้อห้าแต่ว่ามีทั้งหมดแหละ ปัจจุบันนี้จริงไม่จริงก็มีห้าครบเลย์ทัวในครั้งหนึ่งห่วงแหนกีดกั้นกันด้เรื่องที่อยู่ที่อาศัยถิ่นฐานแว่นแควนประเทศดินแดน 2. ก็หวงแหนกีดกันกันด้เรื่องพงเผ่าเหล่าก่อชาติพันธุ์วงตระกูลสก็ห่วงแหนกีดกั้นกันด้เรื่องผลประโยชน์สี่ก็ห่วงแหนกันกีดกั้นกันได้เรื่องชั้นวรณะสีผิวแล้วก็หการหวงแหนกีดกันกันได้เรื่องวิชาการความรู้ ผลสำเร็จทางภูมิธรรมภูมิปัญญาเนี่ยถ้ากำจัดความหัวแข็กิจกานห้าอย่างนี้ไม่ได้มนุษย์ก็ต้องขัดแย้งกันต่อไปต้องรบรางแย่งชิงกำจัดกันเรื่อยไปเนี่ยจริงไม่จริงแล้วพุทธศาสนาสอนเลยถ้าเป็นโสดาบาันปั๊บหมดเลยห้าอย่างนีน้ไม่มีเหลือเลยนี่ที่พุทธศาสนาที่พัฒนามนุษย์มาก็เพื่ออันนี้นแล้วเราก็ไม่ได้คิดหาทาง แต่ว่าไม่ใช่ว่าไปสุดโต่งนะไม่ใช่ว่าเออท่านสอนว่าไม่ให้มีความหุนหันกิ่ก้านในเรื่องเหล่านี้เราก็ไม่ถือและเราก็ไม่ยึดถือเลยเรื่องทินที่อยู่อาศัยประเทศของเราเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งห้าข้อไม่ยึดถืออันนั้นไปนสุดโตง่งมันมันกลายเป็นโมหะไม่ได้ทำได้ปัญญานะคือมันต้องรู้เท่าทาันความจริงตามเหตุตามผลว่าอันเนี้ยถ้าคืนยึดถือกันอยู่มันเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ผิด าการที่เราตั้งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็เพื่อให้มนุษย์เนี่ยแต่มีหลักมีเกณฑ์มีกฎกติกาอยู่ในขอบเขตและขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วเราก็ปฏิบัติไปเพื่อการที่อยู่ร่วมกันได้ดีวัตถุประสงค์แท้จริงนั้นเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้สันติสุขจุดหมายแท้ จ, จริงนั่นอยู่ที่นั่นแม้แต่การที่เรามาจัดแบ่งให้คนมีที่อยู่อาศัยเป็นของใครท่านเรียงกับสมมตินี่ก็เพื่อให้อยู่เป็นสุขนั่นแหละใช่ไหมแต่เป็นการ แบ่งแยกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยมารู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องในเมื่อคนยังมีกิเลสและการที่จะอยู่ร่วมกันได้ดีมันก็ต้องมีการรู้จักจัดจัดแบ่งและนี้เป็นปัญญาของมนุษย์ถ้าเรียกว่ารู้ฐานสมมติก็เอาสมมติมาใช้ก็เป็นความฉลาดของมนุษย์แต่ว่าก็ต้องรู้ฐานสมมติแล้วอย่ายไปยึดติดในสมมติจนกระทั่งกลายไปว่าเอาไอ้สมมติเนี่ยมาบีบตัวเองแล้วก็มาแบ่งแยกกันทำลายกันไปนี่ถ้าเราปฏิบัติให้ถูกขั้นตอนแล้วก็ใช้สมมติเหล่าเนี้ย ซึ่งทั้งห้าเนี่ยก็มาจากสมมติเนี่ยปฏิบัติให้มันถูกต้องอประเทศของเราเออมันก็ต้องมีถิ่นอาแม้แต่ที่อยู่บ้านของเรามันก็ต้องมีมก็เป็นธรรมดาแต่ว่าอันนี้เรามีเพื่ออะไรนะเพื่อให้คนนี่อยู่กันได้ดีดีเช่นว่าบ้านคล้ายบ้านมันค ร, รม ค, รครอบครัวคล้ายครอบครัวมันแล้วเราก็จะมีที่กําหนดแล้วจะได้มีขอบเขตที่อยู่อาศัยแล้วก็มีวิธีปฏิบัติสัมพันธ์กันได้ถูกต้องต่อไปก็ขยายกว้างออกไปในปฏิบัติได้ปัญญา ทำไงจะให้ไอ้มัชชริยะห้าเนี่ยมันหมดไปโดยเอาปัญญามาปฏิบัติด้วยสมมติแทนเนี่ยเอาเป็นว่าห้าอย่างเนี่ยได้ไหมและจริงไหมถ้ามนุษย์ยังไม่หมดความหวงแขนกิจการหประการนี้ก็แก้ไขปัญหาความขัดแย้งไม่ได้เนี่ยที่เขามีปัญหากันอยู่เนี่ยยางห่วงแขนชาติพันธ์เนี่ยอย่างที่ศักยวงศ์ต้องถูกทําลายไปเนี่ยก็เพราะหวงแขนชาติพันธุ์นี่ก็เป็นเรื่องที่ ขอฝากไว้ว่าความจริงไอ้เรื่องของสันติภาพเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรอย่างที่ว่ามันก็พูดง่ายทําตามหลักนี่มันก็จบแต่ว่ามนุษย์ก็ทําไม่ได้สักทีก็เพราะมนุษย์เนี่ยไม่ได้พัฒนาจิตใจปัญญาไม่ได้พัฒนาให้มีคุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นมานิทาค่ะว่าเราสามารถแก้ปัญหาในเรื่องตันหามนตทิฐิเรื่องของมัจฉริยะความองแหนกขีดกั้นได้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเป็นสากลที่แท้จริง สากลก็คือมันทั่วกัน่ะคือโลกนี้ก็ทั้งโลกมันไม่มีการแบ่งแยกต่อไปนี้ในการที่จะเกิดความเป็นสากลเนี่ยมันก็จะมีลักษณะต่างๆที่เป็นเครื่องตรวจสอบซึ่งเอามาใช้ในการฝึกมนุษย์ได้ด้วยความเป็นสากล น, นีก็มีสามประการด้วยกัน สถาประการนี้แค่ดูแค่สากลมาตรวจสอบเราก็ไปแล้วโลกปัจจุบันนี้มันไม่มีเลยความเป็นสากลแล้วก็พูดกันสากลใส่เสื้อกับบกชุดสากลแเสร็จแล้วใจมันไม่เป็นสากลปัญญาไม่สากลสากลอะไรบ้างสากลที่หนึ่งท่านบอกว่าความเป็นมนุษย์ที่สากลแค่นี้ก็ไปแล้วความเป็นมนุษย์สากลหมายความว่าจะเป็นคนเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนมันไม่มีความแบ่งแยก ก็เป็นมนุษย์ทางนั้นส่วนการที่จะไปบอกว่าเป็นมนุษย์ฝรั่งมนุษย์แขกมนุษย์ไทยมนุษย์จีนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าไปตามความเป็นจริงโดยปัจจัยทางด้านธรรมชาติชาติพันธุ์อะไรแต่เพื่อเพื่อรู้เข้าใจเท่านั้นแต่ว่าก็คือความเป็นมนุษย์ร่วมกันนี้ว่ามันต้องเริ่มที่ความเป็นมนุษย์ไม่ได้แร่ไม่ได้เริ่มในความเป็นแขกเป็นไทยเป็นฝรั่งนีพอมองเห็นคนอื่น ก็ต้องมองว่าเป็นมนุษย์ก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาจะเป็นมนุษย์พวกไหนก็ว่ากันไปอนั้นเพียงเพื่อรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องแต่ว่ามีไอ้จัดใจจิตใจที่นึกถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยและปฏิบัติต่อการในฐานะเป็นมนุษย์หรือว่ายังแบ่งแยกเรื่องศาสนาเพราะเห็นการแทนที่จะนึกว่าคนนี้เป็นมนุษย์ก็เป็นนึกก็เป็นศาสนาไหนอย่างนี้มันเริ่มในการแบ่งแยกแล้วมันก็ลําบากอนั้นความเป็นสากลไม่เกิดต้องเริ่มด้วยความเป็นมนุษย์ที่สากล เพราคามเป็นมนุษย์ที่สากลเนี่ยมันก็จะทําให้นึกว่าเออเป็นมนุษย์ทางนั้นนะอย่างเช่นการฆ่าเนี่ยเมื่อฆ่ามนุษย์เป็นบาปมันก็จบทีนี้ถ้าไปแบ่งแยกว่าฆ่าคนชาติพันธุ์นั้นชาติพันธุ์นี้ดี อ, อย่างนีนะ้อย่างนี้ก็ไปไม่รอดเลยใช่ไหมแน่มันแบ่งแยกแล้วชาติพันธุ์นี้าศาสนานั้น กายเป็นคนที่เห็นไปนับถืออย่างนี้แล้วเป็นบาปต้องฆ่าอะไรเงี้ยอย่างนี้มันก็แบ่งแยกให้ความเป็นมนุษย์ไม่สากล น, นั้นต้องเริ่มก่อนคือความเป็นมนุษย์ที่สากลพอเห็นคนทุกคนพอเริ่มก็ต้องถือว่าเป็นมนุษย์ก่อนแล้วความเป็นมนุษย์ที่จะเป็นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างและจะแบ่งแยกอย่างไรเป็นเรื่องของความรู้เข้าใจเพื่อประโยชน์ความสะดวกในการปฏิบัติต่อกันไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องแบ่งแยก แต่มนุษย์ในเวลานี้มันตรงข้ามนะมันยึดถือเอาไอ้ข้อจุดกําหนดในการแบ่งแยกเป็นชาติพันธุ์ไหนเป็นเผ่าไหนเป็นศาสนาไหนในะขึ้นมาก่อนเลยแล้วมันก็เอาตัวนี้เป็นตัวกําหนดในการที่จะปฏิบัติต่อกันเพราะฉะนั้นสันติภาพไม่มีทางเกิดขึ้นต่อไปข้อที่สองก็สืบเนื่องมาด้วยจากอันที่หนึ่งก็คือความรักที่เป็นสากลหรือใช้ภาษาพระว่าเมตตาที่เป็นสากล เมตตาที่เป็นสากลก็คือว่าเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเรามีเมตตารักเหมือนกันหมดเพราะเราต้องการให้คนนรักกันมีเมตตามมตีมนุษย์นี่จะอยู่ด้วยกันดีก็ต้องมีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปรารถนาดีต่อการช่วยเหลือกันไม่โกรธกันไม่คิดหาทางที่จะทำร้ายกันทีนี้ว่าก็ต้องมีเมตตาอย่างนี้ต่อทุกคนเสมอกนะ แต่ทีนี้เวลานี้มันมีปัญหาเรื่องเมตตามรักแต่พวกนะถ้าพวกอื่นมันเมตตามไม่ได้ใช่ไหมมันรวมไปทั้งแม้แต่เรื่องศาสนาเรื่องอะไรแต่ไหนะต้องพูดกันยังเปิดใจทำได้ไหมให้เมตตาเป็นสากล ร, รักคนทุกคนเสมอเหมือนกันหมดไม่แบ่งแยกและก็สามก็คือกฎกติกาหรือความจริงที่เป็นสากลไม่ใช่กฎกติกาว่าเออถ้าเป็นมนุษย์นับถืออย่างนี้เป็นพวกนี้ละ ทำอันนี้จะได้รับผลอันนี้แต่ถ้าเป็นมนุษย์พวกอื่นไม่ได้รับผลนี้แต่มันต้องมีว่าทําเหตุปัจจัยยังไงได้รับผลอันนั้นไม่ว่าที่ไหนเมือ่อใดไม่จํกากัดได้ขอบเขตกาละเทศะหรือกลุ่มชนอะไรเงี้ยทาอย่างนี้ได้ไหมมนุษย์ก็ยังทําไม่ได้กฎกติกาความเป็นจริงแม้แต่ความจริงขอธรรมชาติยังเอามาแบ่งกันอีกในความจริงขอธรรมชาติในที่จริงมันแบ่งแยกไม่ได้อยู่แล้วกฎกติกามนุษย์เนี่ยยังพอเห็นว่าแบ่งกันเพราะว่ามันถือ เรื่องของพวกโน้นพวกนี้อยู่ก็แสดงว่าเราต้องขยายให้กฎกติกาเป็นสากลนี่พอถึงความจริงของธรรมชาติก็ยังมาแบ่งแยกอีกไม่เป็นสากลฉะนั้นก็ต้องให้เป็นสากลอย่างคนทําดีไม่ว่าเป็นชาติไหนศาสนาไหนก็ไปสวรรค์หมดคนทําชั่วไม่ว่าเป็นชาติไหนศาสนาไหนก็ต้องไปนรกหมดมันต้องอย่างนี้ความจริงต้องเป็นสากลถ้าเมื่อไรได้สามสากลนี้ก็มีทางที่จะทําให้โลกมีสันติภาพได้ ถ้ามันไม่สากลมันก็คือแบ่งแยกเมื่อแบ่งแยกมันก็ต้องขัดแย้งกันมันก็ต้องเกิดปัญหาแล้วมันก็ไม่รู้จักจบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยพูดเอาแง่หลักการหลักการแค่สั้นๆเนี่ยสามหลักเท่านั้นเองวันนี้อจัจาภาพพูดเนี่ยแค่ทําได้สามหลักเนี่ยจบเรื่องสงครามเรื่องอะไรกันเนี่ยสติภาพเกิดแน่จะทําได้หรือเปล่าแต่ก็บอกเลยบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณก็ทําให้สําเร็จใช่ไหม นะคุณจะมาอ้างความยากไม่ได้นะนะนี่เราก็มีหน้าที่ที่ต้องพยายามพยายามก็อย่างที่ว่าก็ด้วยมาตรการทางสังคมอะไรต่างๆนี้ว่าไปขั้นหนึ่งแล้วก็มาเรื่องการศึกษาพัฒนามนุษย์เนี่ยแต่ว่าการศึกษาพัฒนามนุษย์คนที่จะพัฒนามนุษย์ก็ต้องรู้ก่อนว่าความจริงเป็นอย่างนีนะ้หลักการที่แท้จริงเนี่ยที่จะให้สาเร็จเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เข้าใจทั่วกันยอมรับกันถ้ายอมรับกันก็ พัฒนาคนไปสู่จุดหมายนี้นี่ก็มีฐานที่จะประสบความสําเร็จเพราะนั้นวันนี้อนุภาพก็ขอโอกาสพูดไว้ไปเน้นในแง่ตัวหลักการที่จะต้องแก้ไขและปฏิบัติส่วนแง่ของวิธีดําเนินการนี่คงยังไม่มีโอกาสจะมาพูดกันซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าคนรู้หลักการแล้วก็เข้าใจยอมรับกันดีแล้วก็เป็นเรื่องของคนที่มีความสามารถ จะพัฒนาวิธีการขึ้นมาบนฐานของหลักการนี้วิธีการในหลายคนจะเก่งด้ว ย, ยก็ขอให้เขายอมรับหลักการก่อนเราเอาไหมละ่ะหลักการที่ว่าเนี่ยหนึ่งต้องแก้ปัญหาเรื่องตาหามานาทิฏฐิอย่างน้อยสองข้อแรงเนี่ยต้องเน้นพยายามที่จะตั้งธรรมมาตรการเช่นกฎกติกาที่จะให้มันดุลกันได้หรือว่าให้ลดน้อยลงไปให้อยู่ในขอบเขต ใชให้อยู่ในความเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบอะไรเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เรื่องของทิฏฐิเรื่องของความใจแคบอะไรต่างๆก็เนี่ยสามอย่างเนี่ยตัณหามานาทิฏฐิก็เป็นหลักที่หนึ่งชุดที่หนึ่งที่จะต้องเป็นด้านแก้ไขแล้วก็สองก็เรื่องของความหหงแหห์กิจกันฑวัชริยะห้าประการคือผู้เป็นภาษาพระหนึ่ง เขาเรียกว่าอาวาสัมชริยะหงแหนกิจกัณซึ่งที่อยู่อาศัยท้องถิ่นดินแดนสองก็ลาภัฉริยะหงแหนเรื่องผลประโยชน์สกุลมัชริยะความหงแหนเรื่องชาติวงศ์พงพันธ์เผ่าชนกลุ่มพักพวกแล้วก็สาสีวันณมัฉริยะความหงแหนหงแหนกิจกัณในเรื่องชั้นวันณนะสีผิว แล้วก็ห้าธรรมมัชริยะความ ห, ห่วงแหนกิจกันในเรื่องวิชาการความรู้และผลสำเร็จทางภูมิธรมภูมิปัญญาเราก็ต้องจับจุดให้ได้แล้วก็พยายามแก้ไขไปพัฒนามนุษย์ให้สลายไอ้เจ้าพวกนี้ให้ปฏิบัติเพียงด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันสมมติแล้วก็ในด้านบวกก็คือสร้างความเป็นสากลสามประการขึ้นมาหนึ่งให้ยอมรับยึดถืออยู่ในใจให้มีความเป็นมนุษย์ที่สากล มองคนเป็นคนสองก็มีเมตตาความรักที่สากลและก็ส ม, มีกฎกติกาความจริงที่เป็นสากลถ้าได้สากลสามอย่างนี้ยอมรับถืออย่างเดียวกันแล้วมนุษย์ก็หมดเครื่องแบ่งแยกก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ความแบ่งแยกทางใจหมดไปแล้วความแบ่งแยกอื่นมันก็หายไปเองด้วยซ้ําใช่ไหมนี่ ไอ้แบ่งแยกด้านนอกมันหายไปแต่ใจมันยังแบ่งนี่ไม่มีทางแก้เลยเลยเพรา ะ, ะนั้นตกลงมนุษย์เวลาเนี้ยบอกตัวเองว่าหมดเครื่องแบ่งแยกภายนอกนะเป็นโลกไร้พรมแดนแต่ใจนี่แสนจะแบ่งกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปไม่ไหวก็ต้องแก้ว่าทำใจให้ไร้พรมแดนใจไร้พรมแดนก็ด้วยการพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษาอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ถ้าจะพูดภาษาพระกั เอาศีลสมาธิปัญญามาปฏิบัติซะมาฝึกมาพัฒนาคนซะก็เท่านั้นแหละมันก็กล้าไปสู่การที่จะสลายความขัดแยง้งหมดเรื่องของการแข่งขันแย่งชิงเบียดเบียนซึ่งกันและกันนำโลกไปสู่สันติภาพและสันติสุขก็ขอให้ทำให้ได้อย่างนี้แต่ว่าขั้นต้นก็คือว่า มาฟังหลักการกันแล้วก็มาตรวจสอบมาพิจารณายอมรับกันไม้ยอมรับแล้วก็มาช่วยกันหาทางปฏิบัติต่อไปอานารยภาพก็ขอนำข้อคิดซึ่งเกี่ยวกับหลักการต่งตางๆในทางธรรมะในทางพุทธศาสนานี้มาจะเรียกว่าเสนอหรือมาเผยแร่หรือมามอบให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลาย โดยเฉพาะเริ่มในวงสําคัญก็คือในวงของครูบาอาจารย์ที่จะเป็นผู้ที่อยู่ที่ฐานของเรื่องนี้เลยเพราะไม่ได้บอกแล้วว่าต้องแก้ด้วยการศึกษานั้นครูอาจารย์จะเป็นเจ้าของเรื่องนี้ต่อไปก็คือเป็นครูอาจารย์ที่จะสร้างสันติภาพเราพูดกันมาถึงการศึกษาเพื่อสันติภาพหลายปีแล้วนะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เช็คจะเงียบเงียบไปแล้วตอนนี้ก็น่าจะลื้อฟื้นออกมาแต่ที่จริงการศึกษามันเพื่อสันติภาพอยู่แล้ว สันติสานั้นสําเร็จผลเป็นสันติภาพและสันติสุขทั้งนอกทั้งในทั้งในโลกในสังคมและในจิตใจของทุกคนก็ขอให้ทุกคนเนี้ยเจริญงอกงามในสันติที่มีความสุขมาพรั่งพร้อมด้วยทั้งภายในและขยายไปภายนอกจนให้เป็นความสุขและเป็นสันติที่เป็นสากลก็ขอจงมีความสุขสวัสดี โดยทั nh, th ân, th ่วกันทุกท่านเธอ